Oh, oh, oh. ศึกษาว่าเ้ามีความเครียดมีความฟุ้งซ่านมากทํไงถึงจะหายเครียดถ้าเขาเป็นคนที่ตั้งใจนะอัญมณ์มก็แนะนำการเจริญสติวก็แนะนำวิธีให้เขาไปปฏิบัติก็มีหลายคนนะทดลองไปปฏิบัติพอเจอกันเขาก็บอกว่ามันยังฟุ้งอยู่นะ ยังเครียดอยู่อาจจะทำยังไงดีอาจจะมาก็แนะว่าให้เขาใช้วิธีการรู้สื่อๆก็คือมีความที่อารมณ์ใดเกิดขึ้นก็อย่าไปตามอย่าไปต้านก็แค่ดูมันเฉยๆหลายคนก็บอกว่ามันทำยากยแล้วก็บอกถาม ว่าขอเคล็ดลับวิธีการเจริญสติที่มันได้ผลเร็วเขาว่าเคล็ดลับที่เขาสนใจเนี่ยมันก็คือวิธีการที่ได้ผลเร็วแล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากผู้งานคือเขาต้องการทางลับทางลัดที่ช่วยให้ใจเนี่ยสงบไม่ฟุ้งซ่านแค่รู้ซื้อๆยังไม่พอ ต้องการทางลัดที่เร็วกว่านั้นหรือที่ง่ายกว่านั้นจริงเนี่ยธรรมะในตัวมันเองเนี่ยมันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วนะทางลัดสู่ความสงบสู่ความสุขสู่ความอิสระมันไม่มีทางอะไรที่ลัดไปกว่าธรรมะอีกแล้วนะถ้าพูดถึงความสงบเจ็นหรือความสุข วิธีอื่นที่ผู้คนสนใจแล้วก็ทำกันตังกลายเป็นแบบแผนเป็นวิถีชีวิตของสังคมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นทางอ้อมทั้งนั้นธรรมะเนี่ยโดยตัวมันเองเนเป็นทางรัฐอยู่แล้วแล้วก็ในมมดาธรรมะเนี่ยนะไอ้การภาวนาเนี่ย ก็เป็นทางลัดของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าคนก็ยังรู้สึกว่ายังหาทางที่ลัดกว่านั้นอีกนะที่ว่าธรรมะนี่เป็นทางลัดของการของหนทางสู่ความพ้นทุกข์สู่ความสุขความสงบเย็นเนี่ยคนก็ไม่ค่อยพอใจนะยังคิดว่าเนี่ยมันมีทางที่ลัดกว่านั้นเช่นหลายคนคิดว่าเนี่ยถ้าฉันรวยถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ฉันก็จะมีความสุขได้เร็วคนไปนิยม หรือเชื่อว่าเนี่ยมันมีทางที่รัดกว่านั้นงั้นก็เลยไม่ค่อยสนใจทำหรือการปฏิบัติไปสนใจไ ข, ขว่คว้าหาเงินหาทองัางที่นั่นแหละมันเป็นวิธีที่อ้อมอ้อมมากๆเลยเราเคยได้ยินไหมเรื่องราวของนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยที่ไปพบลุงคนหนึ่งเนี่ยกำลังตกปลาอยู่ริมทะเลนักธุรกิจคนนั้นเนี่ยก็ถามว่าเนี่ยลุง วันนี้ตกปลาได้ไกตตัวแล้วต่อว่าได้สามสี่ตัวแล้วลุงจะตกปลาอีกนานนยไดบอกเดี๋ยวก็เลิกแล้วอ้าวทำไมลุงไม่ตกปลาให้นานกว่า น, นี้ลุงนีก็ถามว่าสมัยต้องตกให้นานกว่า น, นี้ก็ได้ปลาเยอะๆไงแล้วแต่ปลาเยอะๆเนี่ยเอาไปทำอะไรนะลุงก็ถามมีปลาเยอะๆก็ไปขายไงก็ทำให้ได้เงินแล้วพอมีเงินเยอะๆนะก็ได้ ไปซื้อเรือหาปลาหลวงก็ถามว่าเอาเรือหาปลาไปทำไมมีเรือหาปลามันก็ได้จับปลาได้เยอะขึ้นไงเป็นร้อยเท่าเลยแล้วจับปลาได้เยอะเนี่ยเอาไปทำมาก็ไปขายไงนันธุรกิจต่ อ, อไปขายได้เงินแล้วไปทำอะไรนะก็ซื้อเรือเพิ่มขึ้นนะจับเรือหนึ่งลก็สองลำสามล ำ, ส, มลำสี่ลำมีเรือเยอะไปทำไม ก็ได้ตกปลาจับปลาให้มากขึ้นนะไม่ใช่แค่วัละสี่ห้าตัวนะแต่ว่าได้วันละสี่ห้าตันเลยแล้ว ไ, ได้ไปเยอะไปทําอะไรก็ไปขายไงขายเอาไปทําะไรได ม, มีเงินพอมีเงินเยอะๆก็ไปทําโรงงานโรงงานผลิตปลากระป๋องก็ได้หลงก็ถามว่ามีโรงงานแล้วไปทําอะไรอ่ะเพื่ออะไรอา้ามีโรงงานนะก็จะได้มีเงินเยอะไง พอมีเงินเยอะๆเนี่ยหลุงก็เป็นเศรษฐีคราวนี้หลงก็ใช้ชีวิตตามสบายแล้วจะทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำ อ, อ, อยากมานั่งตกปลาตามสบายก็ได้ทำหลุงก็เยลยบอกว่าก็แชนกำลังทำอยู่แล้วไงตอนนี้วิธีการของนักธุรกิจนี่มันอ้อมนะกว่า จ, จะได้มาถึงจุดที่ตกปลาได้สบายสบาย แต่วิธีการลุงเนี่ยนะมันไม่อ้อมขนาดนั้นอนะ่ะมันทําได้เลยเพราะอะไรนะเพราะแกมีธรรมะคือความสันโดษแล้วพอมีความพอใจมีความยินดีพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะชีวิตที่ปรารถนาคือการตกตาตามสบายเนี่ยมันก็ทําได้ทันทีเลย ในขณะที่นักธุรกิจนี่โอ้โหไกจะได้มานั่งตกปลาตามสบายเนี่ยโอต้องผ่านขั้นตอนมากมายนะต้องซื้อเรือห่ายลำแล้วก็สร้างโรงงานแล้วร่ำรวยเนี่ยถึงจะไได้ได้มานั่งตกปลาโดยที่ในระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคมากมายก็ได้นะหรืออาจจะล่มหรือว่าโรงงานอาจจะขาดทุน แทนที่จะได้เงินก็กับล้มละลายแต่วิธีการของลุง ม, มันมันเร็วมันคือทางลัดเนี่ยทางลัดสู่วิถีชีวิตที่สบายวิถีชีวิตที่ผาสุขเพราะอะไรนะเพราะว่าธรรมะคือความสันโดษวิธีการที่ชาวโลกเขาเชิดชูสรเสรนเนี่ยมันล้วนแต่เป็นทางอ้อมทั้งนั้นนะ บางคนก็บอก ว, ว่าเนี่ยมันต้องเป็นใหญ่เป็นโตเถเป็นเจ้าคนไอ้นคนเนี่ยเียบนาดเนี่ยถึงจะถึงจะมีความสุขแต่ว่าไปถึงตรงนั้นได้นี่ก็ผ่านความทุกข์ผ่านความยากลำบากหรือบางทีก็ต้องทำชั่วต้องหักหลังผู้คนแล้วพอได้อำนาจไปจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะมีความสุขหรือเปล่านะต้องคอยระวังหลังต้องคอยระวังคนเลือยขาเก้าอี้ หรือบางคนจะคิดว่าเนี่ยฉันจะมีความสุขได้นีนคนรอบตัวฉันเพื่อนร่วมงานต้องเป็นคนที่เรียบร้อยน่ารักนะผู้จาไพเราะหรือว่ารู้ใจฉันฉันยิ่งจะมีความสุขได้ไอ้นี่ก็เป็นวิธีที่อ้อมมากเลยนะเพราะกว่าจะให้ได้คนเหล่านี้มาอยู่แวดล้อมได้คนที่ถูกใจได้คนที่ พูดจาดไพเราะมีความสัมพันธ์ราบรื่นไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะได้เจอหรือเปล่าเพราะว่าคนก็มีความหลากหลายทั้งนิสัยใจคอเป็นคนดีทั้งนั้นแต่ว่านิสั ย, ยแตกต่างกันแถมไม่รู้ใจกันแต่ว่าธรรมะเนี่ยนะมันไม่ต้องมันไม่เร่กร้องให้ใครต่อใครเนี่ย มาดีกับเรามาพูดจาไพเราะหรือเป็นคนน่ารักรู้ใจเราเราถึงจะมีความสุขก็แค่เรารู้จักวางใจให้ถูกต้องนะมันก็มีความสุขได้หรือว่ารู้จักเข้าใจผู้คนไม่เอาคําของเขาเอาคาพูดของเขามาเป็นอารมณ์ใครก็จะพูดก็จะว่าก็ช่างเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงก็เป็นเรื่องของเขาอย่างนี้ก็ สามารถจะพบกับความสุขสงบเจนได้หรือไม่ต้องรอให้เสียงแวดล้อมเนี่ยมันสงบเงียบไม่มีเสียงดังนะไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่มีเสียงมหมาเห่าในฉันมันจะมีความสุขตอนที่มีความสงบถ้ารู้จักวางใจหรือมีธรรมะเนี่ยนะเช่นมีสติเนี่ยมีอวามรู้สึกตัวเนี่ยเสียงแวดล้อมมันจะเป็นยังไงเสียงจะดังแค่ไหน ฉันก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรนั่นจะเห็นได้ว่าธรรมะเนี่ยนะมันมันเป็นทางลัดในตัวอยู่แล้วนะสู่ความสงบสู่ความสุขสู่ความอิสระวิธีอื่นเนี่ยซึ่งเรียกลว่าวิธีทางโลกเนี่ยนะมันเป็นวิธีที่อ้อมมากเลยอันนี้ธรรมาดาธรรมะเนี่ยนะทางลัดที่สุดคืออะไรนะถ้าเรามองว่าธรรมะเนี่ย ได้แก่ทานศีลภาวนาทานนี่ก็ยังอ้อมอยู่ศีลก็ดีขึ้นหน่อยนะแต่ว่าภาวนาเนี่ยหรือการฝึกจิตเนี่ยมันเป็นทางลัดของการปฏิบัติธรรมและในบรรดาการภาวนาเนี่ยที่เป็นทางลัดของการภาวนาเนี่ยคืออะไรนะก็คือการจรดสติการจรดสตินี่เป็นทางลัดของการภาวนา ทิ่พเจ้าตรอว่าเป็นทางสายตรงเป็นทางสายเอกและในบรรดาการเจริญสติเนี่ยซึ่งมันเป็นทางลัดของการภาวนาอยู่แล้วนะการรู้ซื่อเนี่ยนะมันเป็นเคล็ดลับนะของการเจริญสติเลยทีเดียวจะไปใช้วิธีอื่นเนี่ยนะมันอ้อมยิ่งจะไปพยายามกดข่มความคิดพยายามไปผักไส นะถ้าไม่ตามก็ต้านความคิดเนี่ยอันนั้นมันอ้อมกว่าหรือว่าใช้วิธีอื่นเช่นการบริกรรมมันก็ยังอ้อมอยู่นะแต่ว่าการรู้ซื่อเนี่ยโดยมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานเนี่ยมันเป็นทางลัดเลยของการเจริญสติเลยทีเดียวแต่แม้กั น, นั้นนะหลายคนก็ยังบอกว่าอยากจะได้เคล็ดลับหรือทางลัดยิ่งกว่านี้ อันนี้แสดงว่ายัางยังไม่ยังไม่ไม่รู้จักพอทั้งทังที่วิธีการที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยมันก็รัดอยู่แล้วแต่ยังไม่พอใจอยากจะรัดกว่า น, นี้เพราะอะไรนะเพราะรู้สึกว่ามันยากไอ้รู้สื่อเนี่ยมันยากจริงเนี่ยรู้สื่อเนี่ยมันไม่ยากเลยนะ มันง่ายกับการไปไปห้ามความคิดหรือไปขบอารมณ์ด้วยซ้ำนะพอรู้สู้สเนี่ยมันก็แค่ดูเฉยเฉยมันไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับความคิดหรืออารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นแค่ดูนะเหมือนกับเราเราดูสิ่งที่หลไปตามกระแสน้ำเนี่ย ไอสิ่งที่ไหลไปตามกระแสน้เนี่ยมันก็มีทั้งที่สวยงามนะอาจจะเป็นปลาที่ไหลที่ว่ายไปตามน้ำหรือจะเป็นกองขยะหรือว่าหมาเน่านะแต่ไม่ว่ามันเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็แค่ดูมันเฉยเฉไม่ใช่ว่าถ้าเป็นปลาสวยๆก็ไปจับ หรือว่าถ้าเป็นหมาน้าวลอยน้ามันก็หาอะไระหาไมายา้ยาวๆไปผลักมันออกไปให้ไปไกลหรือถ้าเป็นกอสว่าก็พยายามขับสายไล่ส่งมันไม่ใช่ให้ทันไปนงั้นจะเหนื่อยหรือเปลี่ยนมาก็ว่าเราดูรถเนี่ยรถที่วิ่งบนถนนข้างหน้าเนี่ยถนนกี่รถกี่คันกี่คันก็แค่ดูมันเฉย ดูมันเล่นมาแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปห้ามรถนะรถคันนี้ฉันไม่ชอบฉันไปห้ามไปหยุดมันรถคันนี้เข้าท่านะฉันอยากจะกระโดดกระโจนไปนั่งทําอย่างนั้นเหนื่อยแต่ถ้าเราแค่ยืนหรือนั่งดูเนี่ยมันจะเหนืออะไรมันจะยากตรงไหน ถ้ามันจะยา ก, กเพราะว่าใจที่มันชอบไปจัดการใจพลเราอนี่มันชอบจัดการนะมันชอบจัดการที่แรกจะชอบจัดการกับสินภายนอกจัดการกับผู้คนจัดการกับสิ่งแวดล้อมเราถูกฝึกมาให้จัดการกับสิ่งต่างๆมากมายแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกที่จะรู้จักทำใจ ที่แต่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือจัดการสิ่งภายนอกที่ถูกใจก็เก็บรักษาไว้ที่ไม่ถูกใจก็ผักออกไปอันนี้สายเนี่ยพอมาปฏิบัติพอมาภาวนาเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะจัดการกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความคิดฟุ้งซ่านมันเยอะเหลือเกินะต้องต้องจัดการนะนะกดข่มมัน มันคิดเยอะเหลือเกินก็ต้องพยายามห้ามความคิดนะมันมีความหงุดหงิดมันมีอารมณ์ก็ก็ไปสู้รบตบมือกับมันเพราะไม่ชอบนะิสัยที่ชอบจัดการกับความคิดและอารมณ์เนี่ยมันทำให้การรู้สื้ๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากทาั้งที่รู้สื้ๆนี่มันมันไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่ดูเฉย จะเป็นความคิดที่ดีจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็แค่ดูเห็นมันเห็นมันมาแล้วก็ไปแทนที่จะเข้าไปผักใสสู้รบตบมือกับมันหรือไปประคบประงมมันถ้าว่าเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ดีเป็นความคิดที่ดีไม่ต้องเลยนั่นจะว่าใบรู้ซื่อเนี่ยมันก็เป็นเคล็ดลับแล้วก็เป็นทางลัดอยู่แล้ว มันไม่มีอะไรที่รัดไปก่อนนี้แต่หลายคนเนี่ยยังบอกว่าโอ๊ยขออะไรที่มันรัดก่อนนี้นะขอเคล็ดลับที่มันไม่ต้องใช้วิธีรู้สื่อพอมันยากอันที่มันยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของใหม่เป็นของที่มันสวนทางกับความเคยชินเดิมๆของเรา อะไรที่เป็นของใหม่นี่มันยากเสมอนะสําหรับบางคนเนี่ยขับรถเป็นของง่ายแต่สําหรับตัมมานี่ขับรถเป็นของยากเพราะไม่เคยขับรถสําหรับบางคนเนี่ยร้องเพลงนี่เป็นของง่ายแต่สําหรับตัมมานี่ร้องเพลงเป็นของยากเพราะไม่ค่อยได้ฝึกร้องเพลงตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะสําหรับบางคนนี่ดีกีตาร์ดีเปียโน ศีวาีเนี่ยเป็นของง่ายแต่ชาตมาเป็นของยากเพราะอะไรเพราะไม่เคยถ้าจะลงมือทำเนี่ยมันก็ยากเสมอแต่สำหรับข้าที่มันง่ายเพราะว่าเขาได้ทำบ่อยๆเดี๋ยวดีพวกเราเนี่ยนะกรไก่อคอกไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเขียนบางทีแค่ตัวัดเนี่ยมันก็พอรู้แล้วว่าเป็นอักษร อ, อะไรแต่จําได้ไหมตอนที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยนะ เออเป็นนักเรียนดูบานเนีโหกอไก่แต่ละตัวนี่มันเขียนไม่เป็นตัวเลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นของง่ายไปแล้วแต่จะให้เราเนี่ยไปเขียนภาษาจีนเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องยากทันทีในขณะที่คนจีนเนี่ยการเขียนอักษรแต่ละตัวนี่มันง่ายนะเพราะอะไรเพราะเขาทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าที่ว่ายากเนี่ยนะ มันเป็นเพราะเรายัางไม่คุ้นแล้วถ้าเกิดว่าต้องการเคล็ดลับนะเคล็ดลับนั่นคือว่าทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆนะทำไม่หยุดอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยลการปฏิบัติทำเนี่ยนะถึงที่สุดแล้วเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละคือความเพียรพยายามที่จริงเนี่ยพูดถึงการรู้ ส, สื่อเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับเหมือนกันนะ หลวงพ่อพเทียนนี่เก็ดพูว่าเนี่ยทำเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆถ้าอยากจะฝึกจิตให้มันรู้ซื่อๆได้เร็วนะก็ต้องใช้เคล็ดลับตรงนี้แหละทำเล่นๆแต่ทำจริงๆเล่นทำเล่นๆคือว่าทำโดยไม่หวังผลผิดก็ช่างมัน หลายคนเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยกลัวผิดนะที่คนไทยเนี่ยเรียนภาษาไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่เดือพ่อการพูดและการเขียนเนี่ยทั้งที่เรียนมาเป็น10ปีเป็นเพราะเนี่ยที่อันนี้ความเห็นของครูภาษาอังกฤษนะที่เป็นคนต่างชาติเขาบอกเป็นพ่อคนไทยเนี่ยกลัวผิด กลัวผิดก็เลยไม่กล้าพูดกลัวว่าพูดผิดไวยากรณ์กลัวว่ากลัวผิด tense เลยไม่กล้าพูดพอไม่กล้าพูดก็เลยพูดไม่เป็นจะเขียนก็ไม่กล้าเขียนกลัวผิดไวยากรณ์ในขณะที่คนที่เขาไม่กลัวผิดนี่เขาทักษะด้านภาษาเขาเจริญรวดเร็วรวมทั้งฝรั่งคนที่ให้ความเห็นตรงนี้ด้วยเนี่ย ทีแรกเขากลัวผิดนะเวลาพูดภาษาไทยตอนหลังเขไม่กลัวผิดนะพูดผิดก็ไม่ก็พร้อมที่จะฟังคำชี้แนะพอกล้าพูดผิดเนี่ยเาเลยพูดภาษาไทยได้เร็วนคนที่ว่านี่คือแอนดรูว์บิ๊กนะซึ่งพูดภาษาไทยได้ครองแคล่วมากปฏิบัติทั้งเหมือนกันนะอย่าไปกลัวผิดนะการเจริญสติเนี่ย บางคนกลัวว่ากลัวมันจะฟุง้งกลัวจะหลงไม่ต้องกลัวเลยทําไปเลยหลงบ่อยๆก็ดีนะมันเป็นบทเรียนมันเป็นคู่ซ้อมให้กับสตินะสติเนี่ยเติบโตได้เพราะว่าเจอความหลงบ่อยๆหลงแล้วกลับมารู้นะหรือว่าหลงแล้วก็มารู้ทัน ถ้าไม่กลัวผิดนะการปฏิบัติมันก็จะเจริญนะได้รวดเร็วแล้วที่ไม่กลัวผิดเพราะไม่หวังผลนะแล้วการที่ทำโดยไม่หวังผลเนี่ยเรียกว่าทำเล่นๆ เ, นนะเวลาเราเล่นอะไรก็ตามเนี่ยจะเล่นหมากฮอสเล่นหมากลูกหรือเล่นฟุตบอลเนี่ยถ้าเราทำเล่นๆ น, นะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะมันกลับสนุกซะอีกนะถึงแพ้แต่สนุก แต่ว่าพอจะเอาชนะนี่มันกลายเึงเครียดไปการเจริญสติเนี่ยรู้ซื่อเป็นของยากแต่ว่าถ้าทําเล่นๆ เ, เนี่ยมันจะหลงบ้างก็ช่างมันไม่พยายามไปควบคุมความคิดไม่พยายามห้ามความคิดไม่รู้สึกว่าความที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติมันฟุ้งก็ไม่เป็นไรมันหลงก็ดีถ้ารู้นะ มันดีหลงก็ดีถ้ารู้รู้ว่าหลงรู้ว่าเผลอคิดไปรู้ว่าเผลอมุหงิดอ่อย่างนี้แหละนะที่ไม่ทำให้รู้สู้ๆได้ไหวแต่ว่าหลายคนเนี่ยตั้งใจปฏิบัติอยากจะให้อยากทำงานทด้วยความอยากอยากให้จิตมันสงบอยากให้จิตมันสงบไวๆก็เลยพยายามไปคุมความคิดไปห้ามความคิด หลวงปู่ดูนั่นพูดดีเขาบอกว่าความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อลมหายใจไปห้ามมันไม่ได้หรอกอย่าปฏิบัติเพื่อห้ามความคิดนะการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มุม่งที่ห้ามความคิดหรือว่าดับความคิดเอาแค่ว่าพอรู้อารมณ์รู้อารมณ์หมายความว่าพอรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะ พอรู้อารมณ์แล้วจิตเนี่ยมันคิดนึกปรุงแต่งก็ให้รู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันความคิดปรุงแต่งนะท่านบอกว่าเนี่ยอย่าฝันทั้งให้ตื่นนะก็คือหลงคิดโดยไม่รู้ตัวคือมันจะเผลอคิดไปก็ให้รู้ให้รู้ทันมันจะเผลอมุง่งิดไปก็ให้รู้ทันอย่าไปห้ามไม่ให้คิดอย่าไปมุ่งดับความคิดอย่าไปมุ่งดับอารมณ์หรือห้ามไม่ให้อารมณ์เกิด มันเกิดก็เป็นเรื่องของมันหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันแล้วก็รู้เฉยๆมันก็เป็นหน้าที่ของจิตแล้วที่มันจะคิดจะปรุงจะแต่งนะเราห้ามไม่ได้แต่หน้าที่ของเราคือรู้ทันรู้ทันอาการของจิตรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจก็จะจะทำไม่ได้ต้องยอมให้มันเกิดนะยอมให้มันเกิดแล้วก็ รู้ทันทีหลังแต่ถ้าหากว่าจะทำกันได้ไม่ต้องทำเล่นๆทาเล่นๆแต่ถ้าทำจริงๆเนี่ยทำด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเอาให้ได้จะให้สงบเร็วๆ เ, เนี่ยนะมันก็อดไม่ได้ที่จะไปคุมความคิดไปห้ามความคิดสุดท้ายก็เครียดสุดท้ายก็ผิดหวงังสุดท้ายก็หงุดหงิดนั่นทเล่นๆ เ, เนี่ยนะเป็นเคล็ดลับเลยนะของการรู้ซื่อ แต่ทำเล่นๆนี่ต้องทำจริงๆนะก็คือทำทำ ท, ำทั้งวันเลยเลยนะทำบ่อยๆทำเยอะๆใหม่ๆเนี่ยนะให้เอาปริมาณเข้าว่าเอาปริมาณไว้ก่อนี๋ยวเพิ่งเอาคุณภาพนะเอาปริมาณไว้ก่อนเหมือนคนเรียนภาษาเนี่ยนะเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยเอาปริมาณไว้ก่อนพูดไว้ก่อนพูดไปก่อนผิดถูกช่างมันนะพูดคุนปาก ถ้าผิดก็ไปแก้กันที่หลังอย่าเพิ่งเอาคุณภาพนะคนที่กล้าพูดโดยที่ไม่กลัวผิดเนี่ยเขาจะเรียนภาษาได้เร็วคนที่ปฏิบัติโดยไม่กลัวหลงนะก็จะมีสตินะรู้ทันความคิดและอารมณ์ได้ไวถ้าว่าทำบ่อยๆนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงเคล็ดลับเลยนะนะรู้ซื่อเนี่ย เคล็ดลับอยู่นะคือว่าทำเล่นๆนแต่ทำจริงๆเอาอยานี่พุทธนี้นะอ้กราพ